มาขึ้นข้อความในคัมภีร์เนติ ป, ปกรณ์ได้ไปเจ็ดหาระแล้วนะวันนี้มาขึ้นหาระที่8หาระที่8นะั้นมีชื่อว่าวิพัติหาระันในเนติสารถทิตนีหน้า254ออธิบายลักษณะของวิพัติหาระโดยย่อ กล่าวว่าภูมิแห่งสังกิเลธรรมและโวนทโวทานธรรมทั้งหลายอันเป็นสาธารณะและอาสาธารณะย่อมถูกจำแนกด้วยวิธีนี้หรือในวิธีนี้เพราะฉะนนั้สรุปว่ า, ว, าวิธีที่จำแนกลักษณะธรรมเป็นการเอาพระธรรมมาจำแนกจำแนกโดยพระสูตรเนี่ยนะโดยธรรมะโดยภูมิปัท ธ, ธรรมนามวัตถุอันเป็นสาธารณอาสาธารณะ ดันลักษณะของเขาก็คือการจําแนกธรรมะที่เป็นธรรมภูมิปทัฏฐานนะเอาธรรมะเอาภูมิปทัฏฐานมาจําแนกอย่างที่คถาว่าธรรมมันจะปะทัฏฐานนงเป็นต้นเนี่ยนะหาระที่ท่านจําแนกธรรมะปะทัฏฐานภูมิและความเป็นสาธารณะอาสาธารณะเพิ่งทราบว่าเป็นวิพัติหาระก็แปลว่าจําแนกธรรมะสามประการนั่นเองจําแนกอะไรธรรม ธรรมะปะัะธานภูมิเอา3ประการนี้มาจำแนกที่กล่าวว่าวิพัฒน์วิพัฒน์คือการจำแนกนะโดยสัพท์เนี่ยวิพัตน์เนี่ยแปลว่าการจำแนกอันวิพตัติหาระก็คือหาระว่าด้วยการจำแนกจำแนกอะไร 1. ธรรมวิพัฒน์จำแนกธรรมะ 2. ภูมิวิพัฒน์จำแนกภูมิ 3. ามประธานะวิพัตน์ จำแนกประทัดฐานอันนี้ก็คือจำหัวข้อใหญ่ๆไว้สามหัวข้อจำแนกธรรมจำแนกภมูมิจำแนกประทัดฐานอันนจำแนกธรรมะเรียกว่าธรรมวิพัฒน์จำแนกภูมิเรียกว่าภูมิวิพัฒน์จำแนกธรรมะเรียกว่าธรรมะจำแนกประทัดฐานเรียกว่าประทัดฐานวิพัฒน์เนี่ยนะทีนี้ในธรรมะภมูมิประทัดฐานเนี่ยก็จำแนกอย่างละสอง คือเป็นสาธารณะและอะสาธารณะนะเีทีนี้เกี่ยวกับเรื่องสาธารณะอาสาสาธารณะเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะภูมิปฎิฐานเนี่ยยังมีโดยนามกับโดยวัตถุคำว่านามก็คือชื่อวัตถุก็คื อ, อที่ตั้ง วัตถุคือที่ตั้งหรือตรงนี้หมายว่าสัตตสันดานนั่นด้วยสา ม, มารถสันดานนั่นเองอย่างยกตัวอย่างถึงในมงโคลสูที่ท่านยกมาว่าปูชาจะปูชนียานังคาว่าบูชาเนี่ยนะบูชาเนี่ยสภาวะของตัวบูชาจริงๆอ่ะคืออะไรก็คือสภาพจิตใช่หัหยจิตที่เป็นบุญเน่นะตัวที่บูชาเนี่ยอย่างเราบูชาดอกไม้ล้องหอมเนี่ย ไอตัวบูชาจริงๆที่เป็นบุญเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ตัวที่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆคือสภาพจิตกุศลจิตเห็นไหมที่จิตที่เป็นมหากุศลนะไม่ว่าจะเป็นทานการบูชาดอกไม้ของหอมประทีบโคมไฟเป็นต้นหรือว่าบูชาด้วยการรักษาศีลทั้นตัวสภาวะของจิตนั่นแหละเป็นตัวที่บูชาทั้นก็หมายเอาชื่อจิตตุบาท และวัตถุที่ตั้งคือบุคคลสามัญอันนี้จะเป็นสาธารณะเหมือนอย่างว่าเทศกาลบูชาพระธาตุเขาก็จะมีดอกไม้นะดอกไม้มีของหอมบุคคลก็จะไปเขาเรียกว่าบูชาพระธาตุนะฮะอันนี้ก็เป็นสาธารณะเป็นคําทั่วๆไปใช่ไหมเป็นคําทั่วๆไปว่าการบูชาพระธาตุด้วยดอกไม้หรือว่าการบูชาด้วยดอกไม้ของหอม คำพูดลักษณะนี้คือคำพูดที่เป็นสาธารณะใช่ไหมทั่วไปว่าใครก็ทาได้ใครที่มาในกิจการนี้ใครที่มาในกิจกรรมบูชาพระธาตุก็มีดอกไม้ของหอมก็ไปถึงกราบไหว้บูชา น, นี่เรียกว่าสาธารณะถ้าเป็นอาสาธารณะล่ะคนนี้บูชาด้วยดอกกุหลาบคนนี้บูชาด้วยดอกมอะลินะคนนี้มีชื่อว่าก็ก็กมาแยกอย่างนี้ออกมาเรียกว่า อาสาธารณะนนเหมือนอย่างการฟังธรรมเนี่ยนะการฟังธรรมเนี่ยทุกคนฟังด้วยกุศลจิตฟังเรื่องเดียวกันฟังธรรมเหมือนกันอันนี้คือความเหมือนกันเรืยวกว่าสาธารณะถามว่าเหมือนกันทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้แหละที่เป็นอาสาธารณะทุกคนมาฟังธรรมฟังด้วยกุศลจิตใช่ไหมบอกใช่แล้วทุกคนเนี่ยมีปัญญาเท่ากันไหมทุกคน พอจบแล้วอธิบายได้เหมือนกันไหมแต่ละคนมีชื่อเหมือนกันไหมมีอัธยาศัยเป็นต้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้เรียกว่าอส า, าธารณะคือไม่ทั่วไปอันนั้พูดแบบทั่วทไปก็คือฟังธรรมเหมือนกันถ้าพูดแบบไม่ทั่วไปล่ะก็เรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวเนี่ยไอความเป็นเฉพาะตัวนั่นแหละชื่อว่าอส า, าธารณะเนี่ยนะทุกคนเขียนหนังสืออัน น, นัเวลาฟังธรรมก็มีการจดพระธรรมทุกคนก็ทั้งฟังทั้งจด แล้วถามว่าสมุดที่จดเล่มเหมือนกันไหมตะกาเหมือนกันไหมลายมือเหมือนกันไหมไม่เหมือนมันก็เรียกว่าแยกไในความเหมือนและความไม่เหมือนนะนะพระภิกษุเข้ามาบวชเหมือนกันหมดถามว่าบวชแล้วปฏิบัติเหมือนกันหมดไหมเรียกว่าภิกษุเหมือนกันนิสาธารณะแต่ชื่อเฉพาะคนเฉพาะชนเฉพาะคนก็เรียกว่าอสาธารณะนั่นแหะมันการจําแนกทั้งสภาวะ คือสภาวะของตัวธรรมะและก็บุคคลเนี่ยนะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือเป็นสาธารณะและอาสาธารณะการมาจำแนกอย่างนี้เรียกว่าธรรมะวิพัตจำแนกธรรมก็มาจำแนกส่วนจำแนกภูมิจำแนกภูมิตรงนี้ถ้าท่านยกตัวอย่างว่าภูมิจิตภูมินี้มันแบ่งออกเป็นปุถุชนภูมิทัศนภูมินยยกตัวอย่างนะว่าภูมิเนี่ยเช่นภูมิของปุถุชนภูมิของ พระเสขภูมิของพระอเสขอยังงหรือถ้าภูมิของจิตจิตมีกี่ภูมิสีส่ภูมิกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตระภูมิถ้าบอกว่าจิตตุบาทในภูมิสอันนี้แปลว่าสาธารณสาธารณะใช่ไหมบางคนเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมหากุศลบางคนบูชาพระพุทธเจ้าด้วยรูปาวจรกุศล บางคนบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมหักขตะกุศลบูชาบางคนบูชาด้วยโลกุตระกุศลอันนี้คืออาสาธารณะแต่ถ้าสาธารณะก็คือบูชาด้วยกุศลจิตไม่เกินในภูมิสี่นี่แหละบูชาด้วยกุศลในภูมิสีนี่แหละแต่อันนี้คืออาสาธารณะทั่วๆวไปแต่ถ้าความเป็นอาสาธารณะก็คืออะไร บางคนก็บูชาด้วยจิตที่แตกต่างกันสภาวะที่แตกต่างกันอันนี้เรียกว่าภูมิวิพัฒส่วนปัฏฐานาวิพั์การจาแนกปัฏฐานการจำแนกปทัฏฐ า, า, านก็เหมือนกับปทัฏฐานอาหาระนะเหตุใกล้อะเหตุใกล้ว่าการบูชานี่ให้ผลยังไงนะการบูชาเนี่ยจะให้ผลยังไงทำให้เกิด ผลทั้งหลายอย่างยกตัวอย่างบอกว่าใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ควรบูชาเช่นนั้นซึ่งปรินิพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ไม่มีใครนับบุญได้หรอกว่าบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบูชาพระสาวกทั้งหลายผู้ก้าวล่วง เครื่องเนิรนช้าหรือผู้ไม่มีความเศร้าโศกผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนผู้ปรินิพานแล้วว่าบุญจักมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่มีใครนับบุญได้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็หลายท่านไปบูชาพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะบุญเนี่ยบูนับไม่ได้หรอกถามว่าทำไมนับไม่ได้เพราะว่าวัตถุที่ควรบูชานั้นเป็นผู้ทรงคุณยิ่งนับนะพระพุทธเจ้ามีอรหรันตคุณเป็นต้นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็มีอรหรันตคุณเป็นต้น สาวกของพระพุทธเจ้าก็โสดาปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลเป็นต้นเมื่อบุคคลเหล่านี้เหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณที่ยิ่งใหญ่การบูชาบุคคลเหล่านี้จึงได้บุญหาประมาณไม่ได้การจําแนกหาเหตุหาผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลทําอย่างนี้มีผลยังไงยังไงต่อไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปทัฏฐานนาหระอย่างที่เราฟังทำเลยนะเราเคยเคยเอามาคิดไม่ว่า เป็นประทัดฐานของอะไรการฟังที่ฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อให้มีปัญญาปัญญาเนี่ยถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้อะไรก็คงไม่เหมือนกับคงยังไงก็ไม่ทิ้งสุตตมายญาณใช่หมว่าเมื่อฟังการฟังที่ถูกต้องก็ต้องรู้ธรรมะ16บหหัวข้อใหญ่อันนั้นสิหัวข้อมีอะไรบ้างหนึ่งฟังรู้ว่านี้ควรรู้ยิ่งสองนี้ควรกาหนดรู้สนี้ควรละ สี่นี้ควรทําให้แจ้งห้านี้ควรเจริญนี้ธรรมะฝ่ายเสื่อมนี้ธรรมะฝ่ายดํารงอยู่นี้ธรรมะฝ่ายวิเศษขึ้นนี้ธรรมะที่ทําให้ชํำระกิเลสนี้ความไม่เที่ยงนี้ความเป็นทุกข์นี้เป็นอนัตตานี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาการรู้อย่างนี้นี่แหละ เรียกว่าผลของสุตตะถ้าฟังที่บริบูรณ์จะต้องจำแนกอย่างนี้ได้เมื่อฟังแล้วจำแนกได้อย่างนี้ น, นะการฟังที่ดีเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอะไรฟังอย่างบริบูรณ์อย่างนี้เป็นเหตุใกล้ของศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาว่าเออธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงนะเพราะว่าธรรมะเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจำแนกไว้ดีแล้วช่วยให้เราพ้นทุกข์จริง เราก็มีศรัทธาใช่ไหมเมื่อมีศรัทธาเราก็มาคิดตามเอาธรรมะทั้งหมดเนี่ยมาโยนิโสมนสิการก็มาตรึกตามมาคิดตามโยนิโสมนัสิการก็คือทําะไรคิดตามคําสอนน่ะนั่นแหละใครคิดตามคําสอนได้โยนิโสมนัสิการมีเหตุผลจนต้องคิดตามคําสอนจนต้องปฏิบัติตามคําสอนนี่แหละเรียกว่าโยนิโสถ้าอโยนิโสเนะีหาเหตุผลจนไม่ต้องเจริญหาเหตุผลจนว่าเออโทสะเกิดบ้างก็ไม่เป็นไร ราคะเกิดก็ไม่เป็นไรโมหะเกิดก็ไม่เป็นไรอากุศลเกิดบ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ เ, เรียกว่าโยนิโสมนัสิการถ้าโยนิโสมนัสิการก็หาเหตุผลจนต้องเจริญกุศลธรรมถ้าเจริญโยนิโสมนัสิการอย่างนี้บ่อยๆสติสัมปชัญญะก็จะดีนะนะทไมจึงมีสติสัมปชัญญะเพราะว่าจะต้องมีศาธกะสัมปชัญญะเพื่อรักษาการปฏิบัติธรรมรักษาการเจริญกุศลธรรมให้ต่อเนื่อง เมื่ อ, อมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็ทำให้อินทรียสังวรใช่หรู้ว่าเรื่องนี้ปมด้อยของเราเช่ น, นชโทสะจริตไปเจอปฏิฆะนิมิตรก็ ร, รั่วทันทีเลยเหมือนกับล้อรถดีๆถูกเจาะยางอย่างนั้นนะแฟบหมดเลยถ้าพวกราค่าจริญไปเจออิทธารมเมื่อไหร่ก็เสียหายละ แล้วนะก็ศึกษาให้ดีๆว่าอะไรควรเห็นอะไรควรฟังอะไรไม่ควรฟังอะไรควรรู้กลิ่นรู้รสเป็นต้นเนี่นก็ศึกษาจำแนกแยกแยะเมื่อแยกแยะอย่างนี้ได้ดีนะนะสุจเริสามก็จะดีโดยธรรมชาติเพราะว่าสุจเรศสามมันเป็นผลพวงของธรรมะชั้นล่างๆเนะี่ยเป็นผลพวงของสุตตะเป็นผลพวงของศรัทธาโยนิโสมนสิการสติสัมปชัญญะ มันเป็นผลของอินทรีย์สังวรนะสุจริสามพดีถ้าสุจริสาดี น, นะยังไงก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าสติปัฏฐานก็คือการพิจารณาทุกขัสสะสมุทัยสัตว์นิโรสัตว์และมรรคสัจจาก็ทันวัตถุประสงค์ของการเจริญก็เพื่อให้เห็นนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นตัวกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือทิศทางของมรรคสัจใช่ไหม พราสติปทานนี่เป็นภาเวตปาปธรรมเมื่อเจริญภาเวตปาปธรรมเห็นกําหนดรู้อุปาทานขันท่าไอ้ที่เราเจริญจริงๆก็เจริญสติปทานสติปทานที่เจริญดีสติอันนั้นเป็นสติสัมโพชฌงก์นนะสติสัมโพชฌงก็ต่อด้วยธรรมวิจยสัมโพชฌงเป็นต้นถ้าโพชฌงบริบูรณ์วิชาวิมุติก็บริบูรณ์ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ น, นะก็จะเป็นเหตุไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย การที่เราสามารถมองเหตุว่าสิ่งที่เราทำเป็นเหตุใกล้ของอะไรเป็นเหตุใกล้ของอะไรอันนี้ก็เรียกว่ารู้เรื่องฐานะอาฐานะฐานะตัวนี้ถ้าปะนำหน้าก็เป็นประทัดฐานะเนี่ยนะก็คือฐานะแปลว่าเหตุนั่นเองอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรเห็นผลก็สาวไปหาเหตุเห็นเหตุก็สาวไปหา ผลได้เลยเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้นั้นการที่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาจําแนกเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าประทับฐานาวิพัฒน์นซึ่งหลักการจําแนกก็จําแนก3ประการเนี่ยนะคือจําแนกธรรมะจาแนกภูมิและจําแนกประทับฐานหรือเหตุใกล้การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะปัจจัยเนี่ยสำคัญมากแม้กระทั่งคัมภีเนติปรกรณ์เนี่ยเป็นคำพีที่มุ่งอธิบายพระสูตร แต่ขนาดนั้นก็ยังเอาปัจจัยมาอธิบายเพราะอย่างอย่างปัจจัยคือประทัดฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากพถ้าใครพิจารณาปัจจัยออกมองปัจจัยเห็นก็สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมได้มากการกําหนดปัจจัยนั้นไม่ใช่กําหนดปัจจัยแห่งกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัดเท่านั้นยังกําหนดปัจจัยของกุศลอกุศลนะจึงต้องกําหนดปัจจัยอะไรที่ ก่อให้เกิดอกุศลอะไรที่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อกุศลจะลดอกุศลได้อย่างไรจะเจริญกุศลได้อย่างไรอันนี้ก็ความรู้เรื่องปัจจัยนี่สำคัญมากท่านปัทฐานะเกี่ยวกับเรื่องปทัทฐานเรื่อง เ, อเหตุเรื่องผลเรื่องปัจจัยปัจโุบัณเนี่ยมีอธิบายทุกหระเลยถ้าสังเกตให้ดีนะมีอธิบายทุกหาราเลยเทสนาหารานี่มีปัจจัยอยู่ไหมมีดูได้ตรงไหนก็คือเช่นอุบายกับ ผลผลกับอุบายเนี่ยพูดแบบตรงตัวเลยอัสาทาก็เป็นสมุทัยศาสตร์เป็นเหตุใช่อหมอีนวะก็เป็นผลแม้แต่วิวจยาหาระก็ยังมีปุชาวิปัสวิสัชนาปุชาก็เป็นเหตุวิสัชนาก็เป็นผลทั้นการมองเหตุมองผลการเชื่อมโยงเหตุผลนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของคำสอนถ้าหากว่าไม่มองมองเหตุมองผลไม่ออกแล้วจะดับเหตุได้อย่างไร ถ้าดับเหตุไม่ได้ทําที่สุดแห่งทุกได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าอาการปฏิบัติธรรมก็คือมุ่งกําจัดเหตุนะมุ่งกําจัดเหตุไม่ใช่รอให้ผลมันเกิดแล้วก็ไปกําจัดผลพุทธศาสนาไม่เหมือนกับศาสนาของเดียร์ีศาสนาเดียร์ีนี้ปฏิบัติอย่างสุนัขท่านว่ากันเคยคิดไหมสุนักกระราจฉีต่างกันยังไงสุนักเนี่ยถ้าใครโยนกระดูกไปนะมันไปแทะกระดูกใหญ่เลยกัดแต่ก้อนกระดูกนะขับอยู่นั่นแหละ แต่ ร, ราชสีไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใครยิงมันมันไม่สนใจหรอกลูกศรที่ไปยิงมันมันไปนกัดไอ้คนคนยิงงนั่นแหละราชสีทั้งหลายมุ่งจัดการกับผลเช่นไปทรมานตนเป็นต้นทรมานร่างกายไปประพฤติอัตติกิละมัานุโยคเป็นต้นเพื่อจัดการปรนเปรีวิบากกับกรร ม, มชรูปนั่นคือศาสนาของเดรธีะนะพวกพวกสุนัขเนี่ยมุ่งจัดแจงกับวิบากกับกรร ม, มชรูป อยู่เท่านั้นเองมุ่งจัด ก, การกับวิบากกรรมชะลุตบตกแต่งวิบากกรรมชะลุกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเนี่นะต้องปรนเปรอวิบากกรรมชะลุให้ดีที่สุดอันนี้ก็ลักษณะหนึ่งของเดรัจฉีพวกนึงบอกว่าไม่ได้ต้องทําให้วิบากกรรมชะลุเดือดร้อนที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าวิบากกรรมชรูปเป็นทุกข์สัตว์นะเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมมันเป็นผลแล้วอย่างชาชาติชรามรณะที่ทุกคนเป็นไปเนี่ยพวกนี้เป็นผล แล้วต้นเหตุของมันล่ะก็อวิชชาตันหากรรมถ้าจะดับจริงๆก็ดับตันหาอาวิชากรรมถ้าดับเนี่ยมุ่งดับที่ไหนดับปฏิสนธิในภพไม้ถามว่าศึกษาธรรมะเพื่อพ้นความแก่ความตายใช่ไหมใช่แล้วเรียนธรรมะแล้วก็มีแต่แก่ๆมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วทําไมเรียนธรรมะไรแก่ไหนอที่เรากลัวอนนักลัว สัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นศึกษาเพื่อจะได้เลิกเกิดสักทีถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่ตายก็ทุกอย่างในโลกนี้สิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดสุขโสมนัสสิ่งนั้นเรียกว่าอสาศะทะสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกโธมณัสได้ไหมไ ด, ได้นั่นเป็นอาทีนวะอย่างเรามีวัตถุที่น่าปรารถนานะ เรานึกเมื่อไหรเนี่ยเราจะเห็นเลยมันน่ายินดีมากสําหรับเรานะนะอย่างที่ยมนรสเล่าอ่ะนะโอ๊ยนึกถึงหลานเห็นหลานเนะี่ยยินอัสาธะเต็มที่เลยนะมันมีความสุขมากเลยนะมันนึกถึงแล้วโอ้ยมันดีใจมากๆเลยแต่อย่าลืมนะถ้าเขาป่วยขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นข้าวก็ไมา่ยอมกินร้องอยู่นั่นแหละโออาทีนวานี่เกิดมากเลยนะกะหลานคนเดียวนั่นแหละ ก็บางคนที่มีลูกใช่ไหมโอ้ยตอนมีลูกมีอาสาท่มากตอนเถอะตอนลูกมันพยศดูฮะนอนไม่หลับกันเลยและนยนะปุการก็ยังเป็นเลยอะไม่ต้องพูดคนอื่นเลยท่านก็อย่างนี้แหละทุกอย่างในสิ่งเดียวกันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเป็นอาสาท่อาทีนวะในโลกนี้นะถ้าจะนับสองก็คือนํามาทากับรูปธรรมนับหนึ่งคือสังขารดํารงอยู่ด้วยปัจจัยที่เรียกว่าสัพเพสัตตาหารติติกานับสองคือนามรูป นับเป็นสคือที่ตั้งของเวทนาสามเป็นที่ตั้งของเวทนาสามถ้านับ4เรียกว่าอาหารสี่นับห้าเรียกอุปาทานขันห้านับหก็คืออายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนับเจวิญญาณที่ติดเจเป็นต้นแล้วแต่ปริยายว่าด้วยการนับคือสามารถจําแนกโดยประการต่างๆก็ได้ น, นี่อาจจะศรัทธาคำนัน้นนำมาทำรูปประธรรมมากแต่ว่าที่ใดมีนามที่นั่นก็มีรูป ที่ใดมีรูปที่นั่นก็มีนามเอางั้นแล้วเสามีรูปไหมมีนามด้วยหรือเสามีนามไหมเอาแล้วที่บอกว่าที่ไหนก็มีแต่นามมาทํารูปประธรรมอะแล้วอะไรคิดถึงเสาอะ่ะแล้วอะไรเป็นสมุดฐานให้คิดถึงเสาแล้วเสาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาไม่ใช่หรือนะและเสาหนึ่งนะถ้ามันเป็นรูปแบบเสาเนี่ยเพราะอะไรเป็นไปตกแต่งให้มันได้ขนาดนั้น ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับจิตอยู่วันยังค่ําเกี่ยวข้องกับเจตสิกวันยังค่ําเรานึกถึงวัตถุใดที่ด้านไม่ใช่ที่ตั้งของจิตไม่ใช่ฐานนะเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นแต่มีผู้คิดถึงสิ่งนั้นอยู่อย่างเช่นดวงอาทิตย์ตอนนี้นะเป็นอา ร, รมณะปัจจัยของจิตกี่คนคนที่มนสิยการถึงดวงอาทิตย์อยู่ไม่ใช่น้อยนะคนที่กําลังแหงดูฟ้าอยู่นะไม่ใช่น้อยนะเพราะดวงอาทิตย์มันส่องกี่จกักรวเออส่องกี่ประเทศอะ ถึงเราไม่คิดถึงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เป็นอา ร, รมณปัจจัยของจิตมิใช่น้อยเนี่ยนะก็สรุปว่าไม่มีอะไรพ้นนา ม, มารมและรูปธรรมแต่อันนี้จําแนกแบบสองถ้าจําแนกแบบสามก็ที่ตั้งแห่งเวทนาสารถ้าจําแนกแบบนามธรรมารูปธรรมเชื่อไหมในพระสูตรนี้คุณรัตนาเห็นมากไหมคําว่านามรูปนี้ใช้เกล่ไหมในพระสูตรน้อยเต็มทีสัาพออะไรเพราะมันเป็นหัวข้อเป็นมาเดกา เป็นหัวข้อที่เรียกว่ามันต้องจําแนกอีกครั้งหนึ่งว่ารูปเป็นภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปภูตรูปไปจําแนกอีกทีหนึ่งว่ากรรมเป็นสมุทฐานจิตเป็นสมุทฐานอุตตุเป็นสมุทฐานอาหารเป็นสมุทฐานแล้วในกลุ่มภูตรูปที่เป็นสมุตมีกรรมเป็นสมุทฐานว่าอันนี้เป็นเหตุใกล้ของจากภูภาษาฆาโสตฆาณะอย่างนั้นไปจําแนกโอเรื่องใหญ่โตมากเลย น, ะนั่นก็เพียกแต่พูดแต่หัวข้ อ, อยังพูดหัวข้อใหญ่หญๆก ว, ว้างๆเท่านั้นเอง พอสรุปจับใจความในวิพัตนิหาระได้นะว่าเป็นการจำแนกจำแนกสามสิ่งหนึ่งจำแนกคำสองจำแนกภูมิสามจำแนกประฐานคือเหตุใกล้มาดูภาค พ, พิสดาลอันนี้เรียกว่านำทางในหน้าหกสิบนี่จำไม่ยาิเข้าอายุบางคนใบกระสีนก็ดีเลย ตูลานี่กเกษียณไปเยอะหน้าหกสิบข้อสามสิบสามวิพัติหาระวิพังวิพังนี่แปลว่าการจำแนกหาระแปลว่าวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดวิพัตก็คือการจำแนกวิพังก็คือการจำแนกวิพังเนี่ยซึ่งหมายถึงว่าพิสดารก็ได้ อธิบายอย่างกว้างขวางในวิธีกาจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจกิจแบบวิพัฒ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นลักษณะของปทัทฐานาหาระก็คือการจำแนกทรรมจำแนกภรรมูกภรรมิและจำแนกปทัทฐานชื่อว่าวิพัติหาระทีนี้ขึ้นต้นว่าสูตรเนี่ยนะสูตรมีอยู่สองอย่างอันนี้พูดแบบย่อๆนะว่าพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่สองกลุ่ม ใหญ่ๆเนี่ยนะคือประเภทวาสนาภาคยะกับนิเพธภ า, าคยะวาสนาภาคยะกับนิเพธภ า, าคยะวาสนานี้แปลว่าส่วนแห่งบุญภาษาไทยๆแปลว่าฟังเอาบุญนะพูดให้เขาฟังเขาจะได้บุญบ้างอย่างเงี้ยนะคนฟังก็ฟังเอาบุญอย่างเงี้ยเรียกว่าวาสนาภาคยานะเนี่ยของเรานี้ฟังธรรมประเภทไหนวาสนาภาคยะหรือนิเพธภ า, าคยะเป็นส่วนใหญ่ โอ้ขนาดนั้นไห้เหรอเขามาเชื่อ่าฟังเอาบุญกันอ๋อใกๆกันนะเะฟังเอาบุญน่ะฟังเอาบุญเป็นบุญต่อๆไปใช่ไหมเว้ยหลายเรื่องเราฟังเอาบุญอย่างเดียวนะอย่างฟังเรื่องพระอารหันต์อย่างเงี้ยเราฟังเอาบุญตั้ค่ไ ฟังให้เป็นบุญ น, น่ะนะั้นคำสอนใดที่ฟังแล้วเพื่อให้บุญเกิดนี่นะอันนี้เรียกว่าวาสนาภาคยะฟังแล้วก็บรุสัจจะเลยอันนี้เป็นนิเพทภาคยะส่วนปฏิปทานนี่มีอยู่สองอย่าง